บทพิจารณาสังขารสาเพสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรม นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขาราขาขาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสาเพธธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมด ทางศีลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวัต ส, สงมายามริตภังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณะปริโยสนานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่างเมอนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวช อายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณชุดตัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดิน กาลิงข้าลังอีวาปราดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรเทืางหาประโยชน์มิได้